เรื่องเล่าผีหลอนตอนวิญญาณเพื่อนช่วยให้รอดตายเรื่องราวก็มีว่าจากที่นิกษาเพื่อนของดิฉันถูกรถไฟชนตายที่ต่างจังหวัดเมื่อสามปีก่อนมันเป็นอุบัติเหตุที่น่าสลดใจมากๆและเหตุการณ์นั้นก็เกือบเกิดขึ้นกับดิฉันเมื่อเร็วๆนี้ แต่ดิฉันได้รอดชีวิตมาอย่างวุ่นวิตดิฉันมั่นใจว่าเพื่อนที่ตายแล้วมาช่วยให้พ้นวินาทีมรณะค่ะเป็นเพื่อนผู้ชายที่เรียนหนังสือด้วยกันตั้งแต่ป .1 จนจบมัธยมปลายที่โรงเรียนสาธิตความรู้สึกถูกพันแบบคนที่โตมาด้วยกันเราจึงสนิทสนมกันมากตอนเรียนมัธยมพอเรียนจบ เราต่างก็ต้องแยกย้ายกันไปดิฉันสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้แต่พ่อแม่ได้ส่งไปเรียนต่อที่อเมริกาขณะที่กฤิเรียนมหาวิทยาลัยในเมืองไทยรวมเวลาแล้วเราห่างเหินกันคนละซีกโลกตั้งเกือบห้าปีเราติดต่อกันแค่ไม่กี่ครั้งเขียนจดหมายถึงการแค่2ถึงสมฉบับ แต่ใจเรายังไม่ลืมกันหลังเรียนจบดิฉันกลับมาทำงานที่เมืองไทยคริตมีธุรกิจส่วนตัวของครอบครัวที่เกี่ยวกับการทำเฟอร์นิเจอร์เครื่องตกแต่งบ้านเราต่างแต่งงานมีครอบครัวแล้วเมื่อมีภาระยิ่งทำให้ไม่ได้ติดต่อกันทั้งที่อยู่ห่างกันแค่เอื้อมเราก็เป็นแบบนี้ล่ะคะ่ะเพื่อนเก่า จะจากกันไปมีชีวิตของตนแต่ละวันก็มัวยุ่งอยู่กับลูกกับเมียหรือสามีวันคืนผ่านไปเป็นเดือนเป็นปีและก็หลายหลาปีมันเหมือนเราลืมกันสนิทแต่ถ้าเกิดเราเจอกันเราจะกระดีกระดา้าความรู้สึกรักและผูกพันยังเหมือนเดิมทุกอย่างกริชกับดิฉัน พบกันนานๆครั้งในงานเลี้ยงรุ่นดิฉันไม่ได้ไปทุกปีหรอกคะ่ะกริดเองก็เช่นกันฉะนั้นเราก็ไม่ได้ไปพบกันทุกปีหรอกแต่เมื่อเกือบสามปีก่อนเราไปงานเลี้ยงรุ่นกันทั้งคู่คะ่ะและนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่เราได้พบกันดิฉันขับรถไปส่งกฤิที่บ้านของเขาในคืนนั้นระหว่างทาง เราพูดคุยกันกลิดห่วงว่าดิฉันทำงานหนักกลับบ้านก็ดึกบ้านอยู่ไกลถึงพุทธมนตรสายสี่โนโนบ้านสามีของดิฉันนะคะที่จริงบ้านดิฉันอยู่ลาดพร้าวตอนกลางๆถนนสายเดียวกับบ้านของกฤิเขาห่วงว่าดิฉันจะง่วงและหลับในอีกอย่างหนึ่งดิฉันชอบเปิดวิทยุในรถเสียงดังๆ กฤิบอกว่าไม่ดีเลยเขาดุเพราะห่วงใยดิฉันมากนั่นเองแต่แล้วเขากลับต้องเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุร้ายแรงหลังจากคืนนั้นไม่กี่วันกฤิไปทำธุระที่หัวหินเขาทำงานให้กับโรงแรมเปิดใหม่แห่งหนึ่งต้องข้ามทางรถไฟบริเวณใกล้ๆวัดลั่นทมทางรถไฟแห่งนี้มีอุบัติเหตุบ่อย เพราะมีต้นไม้ข้างทางบังสายตาคนขับมักมองไม่เห็นว่ารถไฟจะมาเมื่อไรวันที่เกิดเหตุสัญญาณไฟเกิดเสียรถของกฤษอยู่บนรางรถไฟพอดีกับที่หัวรถจักรเสรยเข้ามาสามปีผ่านไปดิฉันเพอเอต้องไปสัมมนาที่นั่นและต้องขับรถผ่านทางรถไฟนี้ตอนนั้นเป็นเวลากลางวันแดดเปเรี้ยง ดิฉันง่วงนอนและเปิดเพลงโปรดดังลั่นหวังจะปลุกอารมณ์ให้ตื่นตัวเปิดไม่เปิดเปล่ายังร้องตามไปด้วยชนิดแหกปากร้องรู้สึกมันในอารมณ์เหลือเกินรถแล่นไปอยู่บนรางรถไฟโดยไม่รู้ตัวไม่ได้ยินเสียงอะไรทั้งนั้นนอกจากเสียงเพลงทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงกลิต ด, ดังกล้องอยู่ใกล้ๆหู ระวังรถไฟมาโดยสัญชาตญาณดิฉันหันซ้ายหันขวาไหนไม่เห็นมีรถไฟและและ้วดิฉันต้องตกตะลึงจนตัวชาหัวจากรถอยู่ห่างจากดิฉันไม่เท่าไรเลยมันต้องชนดิฉันแน่ๆนี่ละ่ะชาความตายของเราเองเวลาที่อยู่ในนาทีวิกฤต ทุกอย่างเชื่องช้าเหมือนหนังสโลโมชันมันอาจจะแค่เสี้ยววินาทีแต่ดิฉันรู้สึกเหมือนนิรันดร์การขณะกำลังตกตะลึงทำอะไรไม่ถูกดิฉันรู้สึกว่ามีใครกระเทืบบนหลังเทา้าข้างที่เหยียบคันเร่งรถพรุ่งปราดออกไปเต็มแรงเหมือนลูกธนูดิฉันรอดตายอย่างบุดวิดรถไฟพุ่งผ่านท้ายรถ ไปชนิดฉิวเฉียดคุณพระช่วยกริดนั่งอยู่บนเบาะที่นั่งข้างคนขับนี่เองใบหน้าของเขาดูกระจ่างใสเขายิ้มให้ดิฉันก่อนจะเลือนหายไปดิฉันหยุดรถหมดแรงที่จะขับต่อต้องรวบรวมสติอีกพักใหญ่จึงจะค่อยๆประคองรถไปให้ถึงโรงแรมที่พักตลอดเวลา ก็คิดทบทวนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกลิตตายตรงนี้เขาถูกรถไฟชนตายตรงที่ดิฉันเพิ่งผ่านมายกหยกและดิฉันก็เกือบพบกับมรณะแบบเดียวกับเขานั่นเองนี่เป็นเพราะความตกใจทําให้ดิฉันเห็นภาพและได้ยินเสียงเขาหรือคะดิฉันได้คําตอบอีกไม่กี่อึดใจต่อมานั่นคือ ที่หลังเท้าของดิฉันเจ็บมากมเมื่อกี้เขากระทืบคันเร่งโดยเหยียบลงบนหลังเท้าของดิฉันแรงๆไม่เชื่อก็ต้องเชื่อวันรุ่งขึ้นหลังเท้าของดิฉันเขียวช้ำเป็นรอยใหญ่มันเกิดขึ้นได้อย่างไรหรือนี่คือร่องรอยที่กลิตฝากไว้จริงๆเรื่องราวทั้งหมด